ปาจิตติยากันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีสหธรรมิกวัควักว่าด้วยการว่ากล่าวถูกต้องตามธรรมเป็นวัคที่8มีส2สองสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งสหธรรมิกวักในปาจิตติยากันห้ามพูดถลายเมื่อทำผิดแล้วพระชนะประพฤตอนาจาร อนาจารย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอย่างที่คนปัจจุบันเข้าใจนะครับแต่หมายรวมถึงการประพฤติไม่เหมาะสมพระชนะประพฤติอนาจารย์ภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนกลับพูดว่าจะขอถามภิกษุผู้รู้วินัยดูก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุที่ภิกษุว่ากล่าวถูกต้องตามธรรมกลับพูดว่า จักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้จนกว่าจะได้ถามภิกษุอื่นผู้ฉลาดผู้รู้วินัยก่อนต้องปาจิตตีอันภิกษุผู้ศึกษาจะต้องรู้จะต้องสอบสวนจะต้องไต่ถามสิกขาบทที่สองสหธรรมมิกวัตในปาจิตติยากันห้ามกล่าวตีเตียนสิกขาบท ภิกษุฉัพภคีแกล้งกล่าวติเตียนพระวินัยว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆชวนให้หน่ารำคาญรบกวนเป ล, ล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่าเมื่อสวดปาฏิโมกขภิกษุแกล้งกล่าวติเตียนสิกขาบทต้องปาจิตติสิกขาบทที่สามสหธรรมมิกวัตในปาจิตติยกัน ห้ามพูดแก้ตัวว่าเพิ่งรู้ว่ามีในปาติโมกภิกษุฉัพคีประพฤต อ, อนาจารเมื่อฟังสวดปาติโมกว่าภิกษุไม่รู้ก็ต้องอาบัตจึงกล่าวว่าเพิ่งรู้ว่าข้อความนี้มีในปาติโมกทั้งๆ ท, ท, ที่ฟังมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ครั้งเป็นการแก้ตัวพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้กล่าวแก้ตัวเช่นนั้นเป็นการปรับอาบัติในภิกษุผู้แก้ตัวว่าหลงลืมสิกขาบทที่สสหธรรมิกวัตรในปาจิตติยะกันห้ามทำร้ายร่างกายภิกษุภิกษุฉับพัีโกรธทำร้ายร่างกายภิกษุสัตรสวราวคีคือพวกสิบเจ็ด เธอร้องไห้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุโกรธเคืองทำร้ายภิกษุต้องปาจิตตีสิกขาบทที่ห้าสหาธรร ม, มิกวักในปาจิตติยะกันห้ามเงื้อมือจะทำร้ายภิกษุภิกษุฉัพคีโกรธเงื้อมือจะทำร้ายภิกษุสัตตะสวัคี พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุโกรธเคืองเงื้อมือจะทำร้ายภิกษุต้องปาจิตตีสิกขาบทที่หสหธรรมิกวักในปาจิตติยากันห้ามโจทย์ภิกษุด้วยอาบัตสังฆาทิเศษไม่มีมูลภิกษุฉับพคีแกล้งโจทย์หรือกล่าวหาภิกษุ ด้วยอาบัต ส, สังคาทิเศษไม่มีมูลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุโจดภิกษุด้วยอาบัต ส, สังคาทิเศษไม่มีมูลต้องปาจิตติสิกขาบทที่เจ็ดสหธรรมิกวักในปาจิตติยากันห้ามก่อความรำคาญแก่ภิกษุอื่นภิกษุพวกหก แกล้งพูดให้ภิกษุพวก17เจ็กังวลสงสัยว่าเมื่อบวชอายุไม่ครบยี่สิบจริงถ้าเช่นนั้นก็คงไม่เป็นพระภิกษุพวก17เจร้องไห้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุแกล้งก่อความรำคาญแก่ภิกษุด้วยคิดว่าความไม่สบายจะมีแก่ภิกษุนั้นแม้เพียงครู่หนึ่ง มุ่งเพียงเท่านั้นไม่ได้มุ่งเหตุอื่นต้องปาจิตติสิขาบทที่8สหธรรมมิกวัตในปาจิตติยากันห้ามแอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะกันภิกษุชพาพคีทะเลาะกับภิกษุทั้งหลายแล้วไปแอบฟังความว่าภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตนอย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายทะเลาะวิวาทกันภิกษุแอบฟังความด้วยประสงค์จะทราบว่าภิกษุเหล่านั้นพูดว่าอย่างไรมุ่งเพียงเท่านั้นมิได้มุ่งเหตุอื่นต้องปาจิตติสิกขาบทที่เก้าสหธรรมิกวัตรในปาจิตติยะกันให้ฉันทะ แล้วห้ามผู้ติเตียนสำหรับคำว่าให้ฉันทะในประโยคนี้คือความพอใจหรือการมอบอำนาจให้สงฆ์ทำกรรมได้ภิกษุฉภพพัคีให้ฉันทะในการประชุมทำกรรมของสงฆ์และกลับว่าติเตียนในภายหลังพระผูมีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุให้ฉันทะเพื่อกรรมอันเป็นธรรมแล้วบ่นว่าในภายหลัง ต้องปาจิตตีสิกขาบทที่สิบสหธรรมมิกวัตในปาจิตติยากันขณะกําลังประชุมสงฆ์ห้ามลุกไปโดยไม่ให้ฉันทะสงฆ์กลังประชุมกันทำกรรมอยู่ภิกษุชาพคีให้ฉันทะแก่ภิกษุพวกตนรูปหนึ่งให้เข้าไปประชุมแทนภายหลังภิกษุรูปนั้นไม่พอใจ จึงลุกออกจากที่ประชุมทั้งที่ไม่ได้ให้ฉันทะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุไม่ให้ฉันทะลุกจากอาสนะหลีกไปในเมื่อถ้อยคําวินิจฉัยยังค้างอยู่ในสงต้องปาจิตตีสิกขาบทที่11อสหธรรมิกวักในปาจิตติยากัน ร่วมกับสงให้จีวรแก่ภิกษุแล้วห้ามติเตียนภายหลังจีวรเกิดขึ้นแก่สงสง์ประชุมกันให้แก่พระทัพพมัรบุตรภิกษุชัด พ, พัคีกลับว่าสงให้จีวรนพระชอบกันภิกษุทั้งหลายจึงติเตียนว่าร่วมประชุมกับสงแล้วทําไมจึงมาพูดติเตียนในภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามธรรมเช่นนั้นทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สิบสองสหธรรมิกวักในปาจิตติยากันห้ามน้อมลาบสงมาเพื่อบุคคลสำหรับคำว่าสงในพระวินัยหมายถึงภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป การถวายของแด่สง์ก็คือการถวายแด่หมู่สง์เป็นของส่วนรวมเป็นของกองกลางที่สงต้องประชุมกันเพื่อลงมติแจกจ่ายให้แก่ภิกษุที่เหมาะสมต่อไปภิกษุฉับพคีรู้ว่าเขาเตรียมจีวรไว้ถวายแก่สง์ไปพูดให้เขาถวายแก่ภิกษุที่เป็นพักพวกของตนเขาไม่ยอมเธอก็พูดแค้นคายจนเขารำคาญ ต้องถวายไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุน้อมลาบที่เขากะว่าจะถวายแก่สงไปเพื่อบุคคลต้องปาจิตตี